เป็นวันที่เราจะหมดเลยนะคงจะนี้ก็คงจะสึกกันแล้วมั้งหอกแคร์ร่วงหลวงพ่อมุนาว่าเราทำกรรมฐานกันมาบวชทีเนี้ยจะ น, นึกว่าบวช ได้บูช์มากนะบวกกันคืนก็วันเนี่ยเลยเป็นเป็นคืนๆเป็นวันนี่กูทรนและทำก็เป็นเทวดาอยู่แล้วก็อบอกว่าการบวชเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งถือบูช์ ยังม si, ีอานิสงส์ต้องมีอายุยืนต้สากกฏปีแล้ววิมานเนี่ยตงสากฏปีวิมานเนี่ยเป็นโดดที่เราได้ปฏิบัตินี่เราเข้าใจว่าทา ก็ใจอย่างนี้เราก็มีมีสตามากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนางฟ้าหรือเทพบุตรถ้ารู้แ ล, แล้วก็ใครก็ไม่อยากจะเสร็จเพราะมันเห็นดูมันเห็นเห็นดูพล ว, วิมานของตัวเองอะ เป็นยอดยอดยอดหนึ่งแน่ตั้งสี่ร้อยเส้นเลยก็ขนาดไหนเป็นทองขับด <okay. S 3> <whiskey. S 1> ER ้วยแล้วทั้งยังกับพระโมกลาท่านไปไปเยี่ยมเทวโลกตุมบัตนะไปถามว่าวิมาณหลังนี้ของใครช่างงดงามมาก ไปเห็นดอกบัวมเรื่องมอวนพระจิวรพระก็อยากได้ก็ไปอามาได้มายังมัน่นสิได้สบายพระงูกัดจะตายแล้วไปมีวิมานวนนเป็นหโดๆแล้วพระมกราทราววิมาหลังนี้ ของใครช่างสวยงามเลอเกินแล้วลอกกว่าคนอันละอายอยาให้ฉันบอกเลยบุญ น, นิดน่อยหนึ่งฉันก็ให้บอกกันได้บอกว่าพอบอกยิงว่าฉันให้ลบบวบดอกบวบผุคม เรื่องบัญชีวรพระอยากได้อมาแล้วก็ยังไม่ได้สวายพระงูกระกัดจนตายจึงได้มีบารุงนี้อ่ะดูสิหมดกลางบริการ น, น, นี้หากว่าโมกลาไม่คันให้บอกเงนก็ก็คงก็ไม่บอกอาย แล้วเราเนี่ยต้องพยายามมีพระกายวิดกก็มันๆไปอ่านดูกันบางเลยแล้วที่รัางจะมาบดจะได้มีศรัทธาการบทเนี่ยจะว่าบุญเท่านั้นหรือว่าบุญเท่านี้ไม่ได้หรอกแล้ว สวดมนต์กันอยู่นะครับแล้วก็นั่งกรรมฐานวังพระให้ให้กรรมฐานรู้บุญจกเท่าไหร่แล้วก็ตาก็อาจจะเป็นตาทิพย์าหูทิพย์ได้แล้วโยมก็ ที่ทำสมาธิกันทุกคนเนี่ยอาจมันจะมีเหตุสว่างกันมันก็มีแต่ไม่รู้ตัวเองว่าจิตของตัวเองมีสมาธิแล้วก็เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยอมสว่างได้สว่างนั่นแหละทำให้เกิดปัญญา แต่แต่คนที่นั่งใหม่ๆเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยเพราะพระที่ท่านนั่งอยู่เรื่อยๆอยู่วันนะคำหนึ่งคำเกนรุ่งๆไปแต่งงหนอนหรือหลับไปเท่านาั้นพอตื่นท่านก็ทําอีกอย่างนี้อานิสงส์ ในการนั่งกับประธานจะว่าจตกส่วไหรนี่ก็ให้โยมเลที่เราให้โยมฟังเนี่ยไม่จ้องรู้หนึ่งสี่หนึ่งห้าลกให้กระยันทำว่าพุกลมเข้าโถลมออกทำให้ให้สบายกายสบายใจ ทำใจสบายสบายสบายสนนั่นะสมาธิก็อยเกิดขึ้นมาได้นั่งนั่งให้ตัวกลงแล้วก็พยายามหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็ดูในใจเข้าใหาใจออกแล้วก็ปีเตนิลมใายใจเข้า ปีตินในลมหายใจออกปีติในลมหายใจเข้าปีตินในลมหายใจออกปีตินี่แหละทําให้กายเบาใจเบาแล้วก็จะนั่งสมาธิก็ไม่เบื่อหน่ายจริ่เรียกว่าปีติสมาธิอุตสาธรรมเสยยงติดเป็นสมาธิทก สิบนาทียี่สิบนาทีจะทำบุญเงี้ยเงินเป็นหน่อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ยังสู้สมาธินี่ไม่ได้นะขอให้ท่านพยายามทำเถอะและ้วแลก็มากว่าจะรู้ตัวขึ้นได้อาจจะรู้ว่าเราเคยเป็นทาตุนองทาตนี้ ก็ได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเรียกว่าปัญญานะรู้อย่างนี้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทีนี้ล่ะเราก็มีเหียนมีเพียรมีมันขึ้นบ่อยบแล้วก็มันก็เปิดเป็นหน่วยสมาธิเพราะ เมื่อมารู้จักเรามีสมาธิก็แล้วรู้ว่านี่เป็นสมาธิเทียนนี่ปัญญาก็รู้รู้นรู้นี่รู้รู้ในรกรู้สวรรค์รู้เรื่องโซลาตะกิตาคาณาคาก็รู้ขึ้นอย่างนี้แหละจึงว่าคนมีปัญญารู้เรื่องนี้ ก็ให้ยมลราทุกคนอุตส่าหกลับไปบ้านแล้วก็พยายามนั่งนอนก็ได้นั่งก็ได้แล้วพอรู้แล้วมันจะไม่มีความขี้เกียจขี้ครานหรอกมันเรียกยานรรมันมานรหลับตาลืมตา มือระลับตารูกตามารู้เห็นก็ที่เรารู้ส่านำยังไงยูมันดีก็ต้องทําบ่อยๆแล้วที่เรียกว่าเรารู้ว่าพระองค์ว่าสิ่งสมาธิปัญญาเป็นองี้สิ่งแรกก็ทำใจ มันสิ่งสังวรก็ทำให้เรียบร้อยเดินก็รู้นนั่งก็รู้จายืนอยู่ก็รู้แล้วจึงเรียกว่าสิ่ง น, นักษาใจาให้เรียบร้อยใจเป็นสมาธิเรียกว่า ใยเป็นสมาธิแล้วก็สงกกายก็เบาใจก็เบานี่เรียกว่าปิติสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็รักษาอารมณ์ไว้ให้ดีแล้วก็นอนนั่งนานนั่งบนนนานก็ไม่อยากจะเลิกเพราะมันมีความระวางขึ้นี่ก็เรา พระสว่างและนิวรณมันก็ไม่มีนิวร น, นี่ก็ดับนิวรดับที่นี้เราก็มีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใจมากขึ้นเราก็จะเกิดมีปัญญาสิยังกะมาตานะเนศริกมรู้พระพิสุ ปฏิบัติการนี้ก็พระก็แตกการไปแยกกันไปนั่งทางโน่นนั่งทางนี้ไม่รวมกันหรอกไม่เหมือนไม่รวมกับทุกวันทุกวันรวมกันนี่ก็ประคุณเจ้าโกรธกันนี้ไม่ไม่เหมือนทุกวันทุกวันมาก็เห็นมาพร้อมหน้ากัน วันนี้มาไม่คุนแล้วทางเพราะพระองค์โกรธกันเลยพระนั่นก็บอกว่าพระพุทธามาเรียกรถกันหรอกแ ย, ยกกันไปทำเพื่อว่ามันอยู่รวมกันแล้วมันคุยกันแล้วตัวนี้ก็จิตใจก็ไม่ไม่เกิดสมาธิได้ ทีนี้ก็ออยังงานลูกดรืก็บอกพอท่านเตจตับท่านเตะตับแล้วท่านก็บอกข อ, อยันมังไม่ได้คือกรรมฐานขอฉันมังที่จะเอาก็ได้แต่ก็ต้องควรจะขอสิ้นห้าสิก่อน และจึงจะควรในการปฏิบัติที่นิมมุลังกรารตนาเอาติน้ารับสิน้าจากพระการทำไม่ขี้วันเลยบรรลุธรรมะแล้วรู้เรื่องใจหุกของพระโอ้พระคุณเจ้านี่ยังไม่บรรลุอะไรกันเลยสัก องเดียวนั้นมาตาเป็นพระอาจาจย์แล้วทีนี้ก็เลยว่าเป็นขาดขาดอะไรถึงไม่ค่อยได้พระนั้นก็เลยดูว่าอ๋อสปายะบกคนก็ดีเซนานณะ สบาปก็ดีแล้วยังขาดอยู่อาหารแต่ไปไม่ค่อยดีที่นินมาตาก็ดูางานก็ไปแต่งอาหารใหม่พอพอกนี้ก็หมาใหม่บอกว่าพวกคุณจามวันนี้ไม่ต้องประเข็ญแล้วขอให้พระองค์เข้าเลือกเอาเลย ชอบใจยังไรก็ไปอย่ังนงเลยําชอบอนุญาตประจองเพราะท่านเพราะชัา น, นกันอิ่มกันหมดแล้วก็ไปแยกกันะสมควระพระันานวันนั้นแหละพระนั้นเราบรรลุเป็นพระอะไรเจ้า ก, กันเรียบร้อยหมด แล้วก็รู้ว่ามาหูมาตานี่ฉล า, าดเหลือเกินมีปัญญามากเหลือเกินใครไม่มีปัญญามากเท่า ม, มาตาพวกเรล่านี้สำเร็จเป็นพระเดจเจ้ากันนี้พระมาตานั้นแล้วก็แล้วก็ก็กลับไป มาตากลับไปบ้านทั้งนี้ก็ชมเชยมาตากันว่าเป็นผู้เจลาดมากรู้จักวาระน้ำใจพระทั้งราชทุกองค์นี่รู้จักหมดที่เราบรรลุธรรมะเนี้เพราะมาตาแต่งอาหารนั่นเองอาหารเนี้ยที่บรรลุมาเป็นปัจจัย เพราะมาตาเองก็จึงรายกรรมฐานทีนี้ก็ลายกับมทานแล้วก็อะไรล่ะันก็ขอลามาตาไปเข้าว่าพระองค์ก็ประชมเฉยว่ามาตานี่เป็นผู้ฉลาดมากฉลาดยิ่งกว่าอะไรกาทุกข์นคนทังราย จะคิดน no ึกอะไรก็มาตานี้รู้หมดเราที่นี้ไปบอกกระโลงมันลูกเราจะฉลาดชาตินี้มาชาติที่แล้วเราก็ฉลาดดูแล้วทีนี้ก็พอพูบอย่างนั้นแล้วก็มาตาก็ชมมาตากัน ทีนี้พระองค์ก็เจศนาให้พวกรีบฟังหวังว่ามาตารู้อย่างนั้นอย่างนี้ฉลาดมียาณตาณะจิตได้มีความะลาดอย่างนี้เพราะพวกเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ทําให้ทำก็ยังโง่อย่างนีง้แหละ ถ้าพไปรู้ทาให้ทำแล้วก็จะต้องฉลาดแล้วไม่ควรที่จะรู้ก็ไปรู้ได้แล้วเราไม่ฉลาดแล้วเ ร, เราก็ดีใจแล้วคนนัละแล้วเคยได้ฟังฟังเอะมาตานีพระพิสุรูปได้ในย ๆ, ๆมาก็ชมใจว่านาม มาตานี่เป็นผู้ฉลาดเราจะต้องไปทดลองดูเถอะจะฉลาดยังพระพิจูตเรื่อนี้ชุบใจไหมไปบอกว่าพระพิจุตท่านมาใหม่กับรังร้อนก็หายท่านอยากจะอาบน้ำสักหน่อย มาตาเขาก็รู้เลยบอกก็คนใช้บอกว่าพระท่านจะส่งน้ำแล้วเอาน้ำมาให้สันทรงเหอะถ้าจะรู้จริงๆนะมาตาเนี่ยถ้าจะรู้จริงๆแล้วก็ยังยังไม่คิดเชื่อเรอที่นี่ ไปคิดอะไรๆก็รู้ทุกอย่างรู้ว่าเออมาตาในรูวแล้วพวกนี้ถ้ารู้จริงแล้วให้มาตาเนี่ยให้มาด้วยตัวเองด้วยแล้วให้ทือถือแกงออกมาตัวเองด้วยถึงจะเรียกว่ารูจริง มาตาบาท่านอยากจะพบตัวเราแล้วนางก็ถือแกงมาตัวเองมาท่านท่านอิ่มแล้วก็ถามมาตาว่ามาตาใครๆก็รู้ว่ามาตารู้ว่าระนัใจ มาตารู้นำจ่ายของบุคคลนี่นี่นแล้วมาตาก็บริยุว่าไงบ อ, อกว่าทำประดาพระเจ้าก็รู้หรือกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่นะเท่าท่า ม, มาตานะมาตาจึงบอกเลยมาตาก็ยืนยันว่า สำหรับพระอริยเจ้าเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละเมื่อยำจ้องครั้งแล้วพระองค์นั้นก็รูม้มาตานี้รู้ว่าระกำใจเราแนะ่แล้วเราจะขอขอลากลับไปวัดบอกว่าขอลา กรับบัดนาอาตาก็ับดิมนุษย์ที่นี่แหละฉันจะได้ปฏิบัติทำ ม, ม้าหันให้ท่านบอดีพคขอบฉันไ ม, ไม่ได้ต้องลกลากรับที่นี้พระองค์รู้แล้วว่าผู้นี้นี่ในความรู้จักมัตตามา ทำไมท่านหมาทำไ ม, มอยู่กับมาราาแล้วดีไม่ไดาหอยู่ไม่ได้หรอกรายร า, ายก็รู้หมดมารดาดีไม่ดีก็จะนึกนึกดีไม่ดีเดี๋ยวหนางจะจับจนได้สิภพหอยหน้งวะโอ้ยังไงล่งจะล่ะพระพุทธเจ้า ก็เธอไม่ไม่คิดมั่งเราคงได้อย่างเดียวนะมาตาไม่รู้เลยรักษาใจายงังไงไม่ได้ได้ไปเจอค่าได้อย่างเดียวรั ก, รกษาได้ทีนี้ ก, ก็กลับมามาตาก็ดีมันทีนี้ไม่คิดอะไรเลย คิดอยู่จวไปไหนมาตาไม่รู้จริงริมาตาก็นี่รักษาใจอยู่ดีแล้วไม่ไม่ออกมาข้านอกก็แล้วจึงมาตาก็ไม่รู้ทีนี้ทำด้วกรรมฐ า, านอยู่สามวันไม่ติดออกไปข้างนอก ที่นี่พ่อมาสามวันนะะพระเป็นพระอาจารย์เลยมาตาทำอาหารตรงทำให้เป็นพระอาจารย์ได้ที่นี่มาพอดวลุธรรมวิเศษโอ้โหอินี้เป็นเมียรเราเก้าสิบข้ารับบัต เก้าสิบาตเลยล้วมาตาก็รู้รู้ว่าท่านรู้ใจเราแล้วก็หอขอให้ท่า น, น, นล้ลึกใบาชาติรอยวนทีนี้ก็ลึกประจัชาติรอยมาตาได้เลยหายชีวิตกับท่านใหมทีนี้พระบรรลุสามพิเศษแล้ว ก็ขอกราบวัดไปถึงวัดก็นิพานเลยนิพานเลยความเบื่อหน่ายเมื่อหน่ายเรื่องนี้นิพานแล้วพวกเราก็ให้ลองถามก็รู้บ้าเถอะทาใจให้มันคิดนึกไปที่อื่นให้คิดอยู่แต่เรื่องในใจของตัวเองเลย ทำไม่ใพ่ก็จะต้องรู้ขึ้นได้เพราะที่รู้ไม่ได้มาคิดนึกไปที่อื่นมากไม่อยู่กับกระจายอย่างกัพระที่ลุงพ่อเส่งนะ่ะก็ให้นึกดือมาหัวเล็ให้ให้ตา เรียบมารเรียมาหาอ ม, มาท่านบอกว่าเมือ่อกระวางแผนนั่งกรรมฐ า, านแล้กวก็กราบพระไหว้พระแล้วก็ให้กําหนดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระส่งอยู่ที่ใจให้ระลึกอยู่อย่างนี้แหละประจ ong ระลึก ไปอย่างอื่นละแล้วก็มาชาสมาธิก็จะเกิดดูขึ้นได้ <c oughs> ทีนี้มาปินเป็นน้องชายมาทิวัตลุงพี่จะที่จะรู้ควรจะไปเรียนรู้ในกรุงเทพดีกว่าเราจะได้รู้ ดีๆบอกว่าพุ่มเนี่ยรู้ท่านอย่างว่าไม่รู้อีกคนรู้เลยว่าไม่รู้คนไม่รู้อยู่ว่ารู้ที่นี้ก็พูดกันไปไปเราลงทศากันงั้นไหมถ้าหากว่า ผมสู้ลุงพี่ไม่ได้ผมก็จะมาทำกรรมทานกับลุงพีเถาลุงพี่สู้ผมไม่ได้ก็ต้องไปเดียนะเทศอะตกหลงหพอตกหลงบอกให้คนแ้าบ้านนี่เขารู้กันหมดก็ราะพี่ชายกับน้องชายจะเทศ ส, งส่งธรรมะเทศกันยัง บัญหาต้องสามารถคิเกิดขึ้นแล้วเขาบะหลายหายวานเขาก็บอกว่าสางพี่น้องก็เทศแข่งกันแล้วเท่าพ่อ ม, พอมหาปินไอ้แพร่ลุงพ่อสิ่งมหาปินก็ยังมีอยู่กับลุงป้าสิ่ง แล้วหลวงพ่อสี่ยงแพ้ก็จะไปอยู่กั บ, กบมาหาปินกรุงเทพคุณก็แตกตื่นมาฟังธรรมะกันทีนี้แพทย์ก็นะครับแล้วเขาก็ให้มาหาปินและเทตก่อนลำกฐานณพม่าก่อนฟังคุณก็ฟังอะไรเงียบทีนี้ พอพารับกฐาหมดแล้วเรื่องพรมาเป็นกะอามังดิเพศสามถามลวงชายดิกุชาทามพุรานก็ต้องวิสัตนาออกมาดิวิสัตนาไม่ถูกดิเดียพันธุกาสู้ คืปัารถนาธุระไม่ได้ที่นี่พอจุ้ไม่ได้พอเท็ไม่ได้ก็ต้องนิ่งสิ่งก็นิ่งที่นี้หลวงพ่อมาสิ่งนี่ถอยหน้าถอยหลังในปฏิโมกรู้หลุงมหาปินนั่งเงียบอรื อ, พ อ, พอพมันเหมืนอนเนี่ยก็ควายไปผูกกินยาย แพรแพรที่นี้ก็ตกลงก็ต้องมหาปินก็ต้องไม่อยู่อ ย, อยู่กับหลวงพ่สิงหแล้วอตาตมาก็ได้หนังสือหัวนี้เละไม่รู้นี่สอไม่เป็นก็มารู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ติใจพระธรรมะอยู่ติใจ พระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจก็อีกนี้เราง่ายดีไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องว่าอะไรมากก็เอาอนนี้แหละก็ได้รู้สมะกัดตอนนี้แหละที่ยังอาตมาเราเนี่ขอที่อาตมาเรามานี้ก็อยากให้พวกโยมๆนี่รู้กันทุกคนทุกคน วาสมาลุงพ่อสิ่งนะเป็นผู้วิเศษขอให้พวกโยมนะกลับไปบ้านก็นมันๆทากันจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในประเทศไทยอีกควรประโยชน์เทวโลกรุมบัติประโยชน์ไนนี้ผ่านรุมบัติก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไป แล้วก็ที่ว่าอายุยืนนางฟ้าอยู่ยืนอยู่ตังสามโกดปีก็รามโปดปีได้แล้วมีมานทองอีกเป็นยดดยอ ด, ดยอก็ตั้งสมัมสามเต็ม น, นะที่เป็นเต็ม วีมานทองอะขอให้พวกเราได้ก็นยันกันนะย่าไรขี้เกีเยจอีครัคือีครั้งกันกลับไปบ้าน้วก็ถ้าจะนึกขี้เกียจขึ้นมาอยากทำแล้วก็ให้รึกถึงที่อาจจะมาเทศเรื่องเรื่องในใ้วังแล้วก็การจะไรพ้นทุกข์นะ ให้ราชมนตรบัตใหราชวันบัตในปานบัตจงเจริญเจริญนายโฮมนะนะทุกทุนนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท า, ทายกนะทายกจะแล้ไปเป็นเทพพระบุตนะสามโคตปีนะ ลืมอะไรไปเตือนเตือนหมดยังลหรเอ่อ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ขอนอบน้อมนะพระเทลานุเถระทุกๆุรูปแล้วก็ขอน้อมนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสังวานหรือ ว, ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ด้วยความกรุรกเป็นอย่างยิ่งอา่าแล้วก็ขอเจริญพรนะ ญาติโยมที่เป็นนักบวชในธรรมะทุกๆท่านนะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราได้ได้มาบวชในธรรมะกันนะแล้วก็วันนี้พวกเราจัดว่ามีบุญหรือว่าโชคดี ที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ออกมาให้เราได้ได้กราบไหว้กันแล้วนะก็ท่านยังอนุเคราะห์เมตตาในะกล่าวกล่าวธรรมะให้เราได้ฟังกันท่านกรูบาพยายามเล่าเล่าเรื่องการซึ่ง เรื่องมาตาหรือแม้กระทั่งพระเพื่อยกจิตยกใจให้เราได้ยินในปังกันเพื่อต้องการให้เราเอาอย่างท่านมีความเป็นห่วงนั่งตามสบายนโยมนะนั่งตามสบายท่านมีความเป็นห่วงพวกเรานะท่านก็หวงังปรารถนาอยากจะให้พวกเราได้ทําความเพียรกัน นะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านย้ำนักย้ำหนาว่าถ้าเรามีมันมีเพียนอยู่ส ม, ม่ำเสมอเราก็จะสามารถเอาเรื่องมรรคผลเกิดขึ้นได้ไม่ขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็จะสามารถมีมรรคผลเกิดขึ้นกับกายใจของเรา แล้วอย่างนี้เราท่านทั้งหลายในเมื่อเราได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วเราควรที่จะขวนขวายกันนะเราต้องมีมันมันเพียนเพียนเจริญสมาธิเจริญสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนาให้มีให้เกิดขึ้น เราสามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเราจากแค่เป็นคนธรรมดาก็สามารถให้เป็นพระเกิดขึ้นได้สามารถทำให้สวรรค์ปรากฏเกิดขึ้นได้สามารถทำให้ใจของเราเป็นคนใจดีเกิดขึ้นได้อย่างนี้ญาติโยมทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสได้มาบวชได้มาฟังฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันถึงแม้ว่าบางครั้งความปวดเมื่อยย่อมมีเกิดขึ้นกับเราเราก็ยังส s าห์มีความอดทนมีความเพียรมีความมันะ อย่างนี้ก็สามารถเราชนะชนะใจเราได้ชนะจากความขี้เกียจขี้คร้านที่เรามีเกิดขึ้นอยู่เราสามารถมาฟังครูบาอาจารย์ในหลายลูกที่ท่านไดใ้ให้อารมณ์ธรรมะเรา หรือว่าท่านมาสาธยายบรรยายธรรมให้เราได้ฟังกันสิ่งอย่างวันนี้จัดว่าเป็นวันสุดท้ายก็ถือว่าร่างกายของเราก็ต่อสู้กันมาพอสมควรแต่อย่างนั้นเราก็ยังอุตส่าห์อุตส่าห์มีความมณะมีความเพียรพยายามกระทำกันอยู่ได้ ถึงแม้ว่าร่างกายของเราอาจจะมีความอ่อนเพลียไปบ้างยังมีญาติโยมทุกท่านทำย่อมปรากฏเกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินักปฏิบัติผู้ใดก็ตามสามารถทำใจทำใจให้สบาย แบบพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งกล่าวเมื่อกี้พยายามพยายามทําใจให้สบายสบายพยายามทํากายของเราให้สบายสบายสมาธิก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับเราเราพยายามอย่าฝืนเราพยายามอย่าบังคับถ้าบังคับกายบังคับใจซะแล้วความสงบ ย่อมไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไปบังคับกายบังคับใจก็จะทำให้เรามีความหงุดหงิดมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นได้การปฏิบัตินั้นเราต้องพยายามวางอารมณ์ให้อย่างสบายๆเราต้องมันจาจาว่าเราเคยทำอย่างไร เราเคยวางอารมณ์อย่างไรที่สามารถให้ใจของเราสงบเกิดขึ้นได้เราเคยตกแต่งใจอย่างไรประครับประคองใจอย่างไรที่ทำให้ใจเรามีสมาธิเกิดขึ้นได้เราต้องพยายามทำอย่างนั้นหรือเราเคยทำอย่างไรภาวนาอย่างไรวางอารมณ์ใจอย่างไร ทำแล้วให้มีแสงสว่างปรากฏเกิดขึ้นได้เราจงพยายามทําอย่างนั้นไม่ว่าอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้เรามันม่นมั่นเจริญสติสติคือความรู้ให้รู้อยู่กับกายกับใจของเราอย่างนี้จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีสติอันสมบูรณ์ จะทำให้เราไม่เผลอไม่เผลอนึคิดอดีตที่แล้วมาอนาคตที่ยังไม่ถึงข้างหน้าเราก็ไม่ต้องเอามาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ให้เรารู้อยู่สม่าเสมอรู้กายรู้ใจของเรากายหนัก กจรู้กายเบาก็รู้ใจหนักก็รู้ใจเบาก็รู้ใจสงบก็รู้ว่าใจสงบใจมีความปิติปรากฏเกิดขึ้นใจรู้ว่าใจของเรามีความปิติเกิดขึ้นเราไม่ต้องนึกอยากรู้เราไม่ต้องนึกอยากเห็นอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าการเจริญสมาธิเจริญภาวนาหรือเจริญสมถกรรมฐานนั้นเราไม่ต้องนึกอยากรู้ไม่ต้องนึกอยากเห็นอะไรทั้งสิ้นรู้แค่กายแค่ใจรู้อยู่แค่ลมให้ใจเข้าออกของเราที่กระทบอยู่กับปลายจมูกของเราให้ควบคู่อยู่กับองค์ภาวนาของเราเท่านั้นก็เพียงพอ ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรากระทากันอยู่ไม่ว่าอาะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ต้องนึกกลัวเสียงที่เราได้ได้ยินได้ฟังอยู่รอบรอบข้างของเราจะเป็นเสียงดีก็ตามไม่ดีก็ตามไม่ต้องนึกอยากรู้ว่าเสียงนั้นจะมาจากสถานที่ใดถึงแม้ว่าเสียงดีปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้ยินได้ฟัง ก็พยายามตกแต่งใจตกแต่งใจให้เป็นคนใจดีใจเฉยใจดีใจเฉยอยู่กับอารมณ์สมาธิของเราใจดีใจเฉยอยู่กับอารมณ์ภาวนาของเราหรือแม้กระทั่งเสียงไม่ดีก็ตามที่เราได้ยินได้ยินแล้วก็ได้ยินไปพยายามประคับประคองใจของเราไม่ต้องอยากรู้ว่าเสียงนั้นมาจากที่ใด พยายามตกแต่งใจประคับประคองใจเราให้มั่นคงอยู่กับองค์ภาวนาของเราให้มั่นคงอยู่กับองค์สมาธิของเราถึงแม้ว่าเสียงนั้นจะดังอย่างไรก็ตามเรามันทําบ่อยๆครั้งมันจเจริญสติอย่างนี้บ่อยๆครั้งเสียงนั้นก็สามารถจะดับลงได้เสียงภายนอกไม่สามารถที่จะรบกวนเราได้ อย่างนี้สิสำหรับญาติโยมทุกท่านผู้ที่ได้มีโอกาสได้มาเจริญเจริญสมถกรรมฐานภาวนาวิปัสสนากันจัดว่าเราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดเกิดมาเราได้มีโอกาสได้มาทำเรื่องของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นกับกายใจเรา เราได้มาทำพระให้เกิดขึ้นกับกายใจเราถึงแม้ว่ากายของเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามเราก็สามารถสร้างพระให้เกิดขึ้นกับใจเราได้เราเกิดมาโชคดีเราได้มาทันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้มาทันพุทธศาสนา เราได้มาพบปะครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามเดินนําหน้าเราให้เราเป็นผู้เดินตามท่านอย่างนี้เรามีโอกาสแล้วเราจะไม่ทำกันเลยอดูสิพระเดศ พ, พระคุณหลวงพ่อท่านอุตษาอุษาสร้างเรือลำนี้ให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าท่านสร้างเรือเอาไว้ เอาไว้สำหรับพวกเราได้เล่นกันให้เราได้มาสนุกสนานกันท่านร้างเรื อ, อไว้ให้รุ่นหลังๆ ห, หรือว่าให้พวกเราได้เอาไว้เล่นกันเอาไว้เล่นอะไรละ่ะเราได้มาเล่นสมถะกรรมฐานภาวนาวิปัสสนากันเราได้มาสนุกสนานอยู่กับการที่เราได้มาปฏิบัติกันเราถึงแม้ว่าเราอยู่กันมาก เราอยู่กันมากให้เราทำใจให้เหมือนอยู่คนเดียวเพราะว่าเราอยู่หมู่มากก็สามารถให้เงียบได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่คุยกันขณะที่เรากําลังมาเจริญเจริญสติเจริญสมาธิเราก็ยังหยุดคุยกันได้อย่างนี้สิพระเดชประคุณหลวงพ่อท่านปุษา นำเราสร้างเรือเราได้มีโอกาสได้มาเล่นกันเราได้สละทรัพย์ได้มาร่วมไว้กับท่านอย่างนี้ญาติโยมทุกท่านโอกาสอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมันมันระลึกนึกถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ให้อยู่กับกายใจของเราอยู่สม่ำเสมอเราอย่าละทิ้งแบบเดียวกับที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะกลับไปบ้านให้เราหมัน่นให้เรารักษาเอากลับไปเอาไปทำที่บ้านถึงแม้ว่าจะนั่งก็ดีหรือจะนอนก็ดีขณะที่เราเดินอยู่ก็ดีทำหนาทีส0บนาที ก็ยังดีทำใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ใจของเรามีสมาธิให้ใจของเราสงบชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็เราไม่ได้ทำจะเลยเปรียบเสมือนว่าเราตั้งแต่หลายมีผ้าขาดขาดก็ยังดีกว่าไม่มีผ้าจะเลยเปรียบเสมือนว่าเราถึงแม้ว่าวันหนึ่ง เราทําไม่เต็มที่แต่เราหมั่นทําทำห้นาทีสิบนาทีก็ยังดีก็เหมือนกับเรามีผ้าขาดขาดดีกว่าไม่มีเสเลยถ้าเราไม่ได้ภาวนากันเลยไม่ได้ทําเจริญสมาธิกันเลยอย่างนี้เปรียบเสมือนว่าเราไม่มีผ้านุ่งกันอย่างนี้ญาติยโยมทุกท่านก็ขอให้เราท่านทั้งหลาย ที่ได้มีโอกาสถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ฝึกใหม่ก็ดีหรือผู้ที่ทําจนชํานิชนานาญแล้วก็ดีผู้ที่ทำจนเชิดชานิชนานาญนั้นเคยทำอย่างไรเคยเข้าอารมณ์สมาธิอย่างไรจงพยายามทาอย่างนั้นเราเคยเจริญเจริญสติอย่างไรเราให้ทำอย่างนั้นผู้ที่ฝึกใหม่ๆนั้น จำเป็นเหลือเกินต้องมันมันภาวนาครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราภาวนาพุทธโธพุทธโธนั่นให้นึกอยู่ที่ปลายจมูกขณะลมหายใจเข้านึกพุดลมหายใจออกนึกโธให้มันนึกอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอจากเราที่ไม่เคยไม่เคยสงบเลย ไม่เคยสบายเลยก็ย่อมจะมีปรากฏเกิดขึ้นความสุขสุขที่แท้จริงนั้นย่อมเกิดขึ้นกับใจของเราญาติโยมทุกท่านวันนี้เปรียบเส ม, มือนว่าวันสุดท้ายลงนี้แล้วเราก็ต้องแยกจากกันหรือว่าโยมผู้ใดผู้หนึ่งยังมีความปรารถนา ยังจะต่อก็สามารถอยู่ต่อได้แต่ผู้ที่มีภารกิจหน้าที่พุ่งนี้แล้วเราก็ต้องแยกจากกันแต่นั่นเราแยกจากกันแต่เราต้องไม่ทิ้งไม่ทิ้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาย้ำย้ำมาขอให้เราเอากลับไปเอากลับไปบ้านเอาพุโทโธกลับไปบ้านกลับไปบ้านแล้วคนแก่สำคัญมากคนเท่าคนแก่ คนแก่เป็นคนแก่ที่น่ารักทำอย่างไรถึงจะเป็นคนแก่ที่น่ารักลูกหลานไม่เบื่อลูกหลานรักต้องเป็นคนแก่ใจดีเป็นคนแก่แก่แก่บุญแก่ธรรมแก่เจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องตกแต่งให้เป็นคนแก่ใจดี พอเป็นคนแก่ใจดีแล้วลูกหลานก็รักกลับไปบ้านถ้าไม่บน่นไม่บ่นลูกไม่บ่นหลานลูกหลานก็รักตอนนี้จะต้องการจะใช้น้าดื่มน้ำก็ใช้หลานก็ได้ใช้ลูกก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอาพุโทโธกลับไปด้วยถ้ากลับไปแล้วยังกลับไปบนลูกหลานอย่างนี้สิลูกหลานก็ไม่ ไม่ตักน้ําให้เรากิ น, นคนแก่นี่ต้องต้องพยายามเนี่ยนโยมนะนต้องพยายามหน่อยต้องพยายามเป็นคนแก่คนแก่ที่ใจดีถึงจะเป็นคนแก่ที่น่ารักไม่ใช่กลับไปแล้วก็เอาพุทโธไว้ไว้ที่วัดไม่ยอมเอาไปด้วยถ้าทิ้งพุทโธไว้ที่วัดนี่หมดท่าเลยบางคนมาบวชแล้วตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้าย นะแต่พอจะไปนะีอาพุโทโธคืนให้หลวงพ่อซะได้ไม่เอาไปด้วยนะเสร็จเลยอย่างนี้เอแย่เลยไม่ต้องไปตะ ก, กิ้กันนะเออาตัวเราเองดีกว่านะ <c oughs> อย่าไปตะ ก, กีนะ้เนี่ยสําคัญมากนะอือันเนี้ยโยมอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะโยมไม่ใช่ว่ากันรอพระอยู่กับคนแก่มาตั้งจนเคยนะอยู่คนแก่มาเคยนะ อ่าบางคนก็บอกว่าแม้อีตอนมาวัด ม, มารักษาศีลแปดรักษาอยู่ได้นะตั้งหลายวั น, นพอจะกลับบ้านเนี่ยศีลไม่ยอมไปด้วยเพราะก้าวขาลงสลาศีลดดต๊ะแม่ไปด้วยหรอเพราะกลับไปบ้านบนสารพัดบนเลยไม่เอาง่ายๆกลับไป เที่ยวนี้ให้ลูกหลานแปลกเลยนะให้ลูกหลานแปลวกก่าเออยายเราย่าเราแม่เราตั้งแต่ไปบวชเทวัทุงเที่ยวนี้กลับมาน่ารักเหลือเกินกลับเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแ จ, จ่มใสเป็นคนที่ล่าเริงบันเทิงใจทำให้สามารถเปลี่ยนจากคนชอบบน่นกลายเป็นคนไม่บน่น นะเพราะว่าสมาธิหรือว่าการภาวนาพุทโธนั้นสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเราได้นะเปลี่ยนจากจากคนขี้บน่นก็ไม่บ่นเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวหาว่าพูดถึงเรื่องคนแก่จากคนที่ยังไม่แก่ก็ได้คนที่มีได้แต่งงานแล้วนะกลับไปนี่ ถ้ายอมผู้หญิงกลับไปนี่ให้ยอมผู้ชายแปลกเลยเออดีตั้งแต่ไปบวชบวทุ่งนี่กลับมาอะไรอะไรเปลี่ยนไปหมดเลยนต้องเป็นคนไม่จู้จี้ต้องเป็นคนไม่บนสามีนีเช่นเดียวกับยอมผู้ชายก็เหมือนกันนะกลับไปนี่ไงไงต้องให้ภรรยาเห็นเราเป็นคนแปลกเลยนีเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสิ่งสำคัญนสามารถที่ว่า สมาธินั้นเปลี่ยนจากคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นคนโกรธง่ายก็สามารถทำให้หายโกรธได้สามารถทำให้อารมณ์ฉุนเฉียวนั้นลดน้อยลงไปเพราะว่าเราไม่ต้องปรารถนาอะไรมากตอนนี้ช่วงนี้ไม่ต้องปรารถนาอะไรมากโยมทำแค่ไม่ให้โกรธอย่างเดียวใช้ได้เลยนะ ไม่ต้องหวังอะไรสูงสุดตอนนี้ขณะนี้ตอนนี้ถ้าใครทำให้หายโกรธได้ใช้ได้เลยกลับไปบ้านนี้เป็นคนใหม่ทันทีเลยนะอะไรยาติโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะเราก็ได้ทำกันมาพอสมควรพอนะดีธารมาภาพก็ได้มีโอกาสได้มา พูยหรือว่าได้มาราลกให้ญาติโยมได้ฟังกันก็เห็นว่าเวลาก็สมควรนะเราก็เหน็ดเหนื่อยกันมดสมควรก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านนะกลับไปเอาคําที่พระเดชพระคุ ળ หลวงพ่อทันย้ําแล้วย้ําอีกให้อภิทโทษกลับไปกลับไปทํากันที่บ้านนะก็ขอจะได้ละทิ้งกัน ก็ขอให้ญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานครั้งนี้ไดมาบวชในคัมภร์กันในครั้งนี้ก็ขอให้โยมทุกๆ ท, ท่านไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาในสิ่งนั้นขอให้เราทุกท่านการปฏิบัติขอให้ท่านจงบรรลุมรรคผล จงได้รู้ธทมเห็นธรรมตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขอให้เราท่านทั้งหลายจนถึงที่สุดขอให้ได้มรรคสีผลสีพระนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถินนึกว่าไม่ลุกกันซะแล้วข้ า, างท้ายยังไม่นอนเลยใช้ได้เก่งมากเลยนึกว่าท้ายเรือหนีนอนสะหมดแล้ว เดี๋ยวหนีโยมแล้วว่าไงคะแล้วเมื่อไร่จะไปมึองละ คงสงสัยจะเป็นรายการสุดท้ายมาั่งองนี้ยนะคงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงจะบอกให้อนุญาตให้นอนได้แล้วนะเวลานอนแล้วก็ระวังเลยนะนอนด้วยกันนะเวลาเกาหัวอย่าไปเกาหัวเพื่อนกันเขาละไม่ไเพื่อนถามมาว่ามาเกาหัวกูทําไมละกับกูคันกูนีิว่าเออหมดเรื่องเลยออมีนะเยอะมี ม, มีนอนด้วยกัน คันหัวเกาหัวเพื่อนกับควักควักไอเพื่อนถามว่าเกาหัวกูทำไมเนี่ยกัคุกคันกูนี่ <laughs> ต้องระวังนอนด้วยกันต้องระวัง <laughs> นะ <laughs>